ไ้วยพระประธานญาติโยมจัดงานทำบุญบำเพ็ญกุศลกันวันนี้โดยปรารบเรื่องอัตมาภาพแต่ก็ได้ขอให้ขยายความหมายเป็นงานบุญสำหรับอุโบสถและวัดนี้ทั้งหมดในโอกาสที่วัดญาณเวสสกวันตั้งมาถึงปีที่จะครบห้านับแต่ที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศตั้งเป็นวัดในพระพุทธศาสนาเมื่อวันที่19พฤษภาคม พุทธศักราช 2,537 และบัดนี้ได้มีเสนาสนะสำคัญเกิดขึ้นซึ่งเพิ่งสร้างเสร็จคืออุโบสถหลังที่โยมจัดพิธีทาบุญนี้อันเป็นผลงานร่วมกันของญาติโยมพร้อมทั้งพระประธานที่เพิ่งหล่อเสร็จเรียบร้อยและนำมาประดิษฐานในวันที่7มกราคมและปิดทองเสร็จเมื่อวันที่12มกราคมที่ผ่านมานี้พระประธานนี้ก็สร้างเกือบไม่ทัน เพราะทิวัดนี้ออกจะจู้จี้มากไปดูและแก้ไขาเท่าไรก็ไม่พอใจสักทีจ่างปั้นใหม่ให้จนในที่สุดดูเหมือนปั้นรวมทั้งหมดห้าองค์จึงได้องค์นี้ซึ่งได้ทราบ่าโยมพอใจทั่วกันพระประธานนั้นข้อสำคัญอยู่ที่เป็นเครื่องสื่อพุทธคุณคือพระปัญญาคุณพระวิสุทธิคุณและที่เราย้ากันมากก็คือพระมหากรุณาคุณ เวลามาที่พระประธานได้กราบไหว้นมัส ก, การก็ทำให้จิตใจของเราเบิกบานผ่องใสมีความสุขเราอาจมีจิตใจว้าวุ่นเดือดร้อนขนมัวมาจากบ้านหรือจากที่อื่นๆภายนอกพอเข้ามาที่วัดแล้วเห็นพระประธานจิตใจของเราสบายนั่นก็คือพุทธคุณเกิดผลแก่จิตใจของเราคือเมตตาเกิดมีผลทำให้จิตใจของเราสบายมีความสุขมีปีติ คือความอิ่มใจและมีความสงบผู้ดโดยทั่วไปพระพุทธรูปนั้นเราสร้างให้มีลักษณะ ส, สงบยิ้มด้วยเมตตาและมีลักษณะหลุดพ้นเป็นอิสระไม่ยึดติดในโลกคือท่านพ้นอยู่เหนือโลกแต่เป็นที่พึ่งแก่เราถ้าพระพุทธรูปสื่อพุทธคุณอย่างนี้ได้ก็จะเกิดผลต่อจิตใจของผู้นมัสการ ทำให้เกิดบุญกุศลอย่างน้อยก็เกิดปสาทะซึ่งเป็นบุญข้อแรกที่จะมีขึ้นในจิตใจของพุทธศาสนิกชนในใเวลาสสสััมผ พ, พระาาศนาเริ่มแต่ได้พบเห็นพระสงฆ์ตามหลักที่ว่าสมณานันจทัศนังการเห็นสมณะเป็นอุดมมงคลเมื่อเห็นสมณะก็ทำให้จิตใจผ่องใส นี่เป็นจุดสําคัญที่บุญกุศลตั้งต้นได้เพราะถ้าจิตใจไม่ผ่องใสคือขุนมัวเศร้าหมองบุญก็เกิดยากและความผ่องใสของจิตใจก็เป็นบุญอยู่แล้วในตัว